คนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆนะคนนั้นมากจะมีลีลามสีสุ่มเสียงมีบุคลิกมีอาการที่แสดงออกถึงความหนักแน่นความเอาจริงเอาจังความมั่นคงความแข็งแรงยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่บรรลุธรรมแล้วนี่ยิ่งเด็ดเดี่ยวน่นจะยิ่งไม่ไม่แบบมาโดเล จะยิ่งไม่มาแบบว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้จะยิ่งมาอย่างนั้นเพราะนั้นาวนี่เราเรามาย้อนดูตัวเราเองให้เราลองพิจารณาดูเพราะถ้าอันไหนเนี่ยเรายังโอ้ยอยากให้คนอื่นมาแก้ให้เอาเรื่องนั้นเราเด็กแต่เรื่องไหนเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหชัดเจนตัวเราเองกล้าตัดสินใจกล้าทําเออเราชักเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างอย่างคิดแล้วนะคิดคิดอย่างสามัมมาทิฏฐินะ เราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วมันจะกล้าพูดกล้าแสดงออกมันจะกล้าทำจึงไม่เป็นการแปลกแต่อย่างใดนะตัวอย่างถ้าจะเห็นการทะเลาะวิวาทกันตามข้างถนนแล้วก็ตัวอย่างดีใจตื่นเต้นเมื่อถูกใจร้องไห้เมื่อเสียใจแล้วก็ตัวอย่างทำตัวเองให้หน้าเวทนายามป่วยไขย้บางราย เราก็จะเห็นว่าขณะครางฮือๆทั้งวันและอีกตัวอย่างหนึ่งเห็นของสวยของถูกใจเป็นอยากได้ไปหมดเราหาผู้ที่เป็นผู้ใหญ่โดยแท้จริงได้ไหมทุกวันนี้ผู้ใหญ่ที่ยานมจึงหาได้น้อยยิ่งกว่าน้อยเสียอีกและนี่ก็คืออิทธิพลของการถดถอยไอตัวอย่างที่เขายกมาเนี่ยเท่ากับ ยกมาในสิ่งที่เป็นเด็กอยู่นั่นเองนะว่าเนี่ยพวกที่ยังยังจะต้องมาทะเลาะกันข้างถนนเนี่ยยังเด็กนะอารมณ์อ่อนไห้ยังต้องอยากได้ต้องการเอาชนะคาคารยังเป็นเด็กยังปล่อยวางไม่ได้มันยังแบบว่ายอมเสียเปรียบหรือว่ายอมเสียสละไม่ได้มันยังมีอาการเป็นเด็กคือเด็กเนี่ยมีแต่ต้องเอาชนะอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่น ใจยังไงก็แล้วแต่ขอชนะอย่างเดียวนะเนี่ยดีใจตื่นเต้นเมื่อถูกใจร้องไห้เมื่อเสียใจนี่คืออาการของเด็กเด็กนี่เห็นชัดเลยอาการแบบว่าถูกใจก็หัวลอกกักกัพอเวลาเสียใจก็โอ้ยร้องไห้โฮโฮอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดนั้นนี่เป็นอาการของเด็กส่วนผู้ใหญ่เอาคันนี้นะ ผู้ใหญ่ดีใจเขาก็ต้องพยายามควบคุมจิตของเขาไว้จนไม่กระทั่งโอโหไม่กระโดดโลดเต้นไม่ไม่เหมือนพวกนักบอลเตะเข้าโกที่โอ้โหกระโดดดีใจกันอย่างก็เป็นบ้าเป็นหลังอะไรพวกนั้นนะนะนั่นน่ะเด็ก <c oughs> เอาผู้จารย์ท่านตัดไว้ว่าอะไรจะดูในอริยะวิ น, ยนัยเนี่ดูความเป็นเด็กดูได้อย่างไหนอริยะวินยัย ดูจะอยา่างไรมีอะไรบ้างอ่าอ่ามีหัวเราะมีร้องไห้มีม อ, มอเต้นลํมนะเอาก็นั่นละเต้นลําร้องเพลงอะไรพวก น, นี้แหละนะอา้าวแล้วอะไรดูอะไรบ้างอ่ะดูความเป็นเด็กดูจะอยากที่ไหนเอาหัวเราะเป็นไรเอาเป็นเด็ก อ้าวร้องไห้อา้าวเต้นลัอาขับร้องเป็นคนบ้าอา้าวละอะไรแกหรออะไรอย่างฮะหรือว่ามีแค่สองอย่างามีสามอย่างละอะไรอย่างก็การยิ้มการยิ้มการเออไม่ใช่ยิ้มการหัวเราะนะการหัวเราะเป็นเด็ก เ, เดี๋ยวสําดนเขาจะใช้ไงนะดูความเป็นเด็ก นั่นบอกว่าดูความเป็นเด็กเนี่ยดูได้จากการหัวเราะพุ่มเพื่อนะการหัวเราะพุ่มเพื่อเห็นฟันเอจําสมนวนเขาทั้งหมดนี่จําไม่ได้นะเออเป็นเป็นความเป็นเด็กในอริยบินัยนะหัวเราะส่วนใหญ่ก็มีเสียงอย่างนั้นแหมหัวเราะส่วนใหญ่ก็มีเสียงงนั้นแหละนะพุ่มเพื่อ พเพื่อเห็นฟันอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยในที่นี้มันก็จะต้องตรงข้ามใช่ไหมกับความเป็นเด็กอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยแม้ทะเลาะกันข้างถนนใช่เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ตรงข้ามแสดงว่าจะต้องรู้จักปณิบนอมรู้จักพูดคุยรู้จักตกลงกันได้ใช่ไหม อันนี้ถึงจะเป็นลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แบบแม้เจออะไรดีใจก็หัวเราะใหญ่เจออะไรเสี ย, สยใจก็ร้องไห้เพราะความเป็นผู้ใหญ่ก็เจออะไรนี่ก็ต้องหัดสะกดหัดข่มตัวเองลงไปนะเจอเสียใจก็ต้องหัดสะกดหัดข่มตัวเองลงไปไม่ใช่ปล่อยออกมาตามกิเลส ต, ตัวเองนะอันนี้เขาบอกว่าอะไรทําตัวเองให้หน้าเวทนายามป่วยไข่ อ, อ่ เวลาป่วยก็ไม่ใช่แม่ทำสงเอสังแงอะไรอย่างเกินไปนะมันก็ควรที่จะเอ่อให้มีกำลังจิตมีกำลังใจนะเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ควรที่จะอะไรอ่ะเอ่ออดทนให้มากขึ้นไม่ใช่แมมป่วยโหทำอย่างกับจะตายอะไรอย่างนี้มันก็เกินไปก็นั่นแหลววะวอโถ อุตส่าห์ไม่บอกแล้วก็ทะเลาะมันไม่ดีมันไม่ดีด้วยประการทั้งปวงเลยก็เมื่อกี้ก็พูดไปหน่อยหนึงแล้วว่าก็มีแต่เอาชนะกันชิงดีชิงเด่นกันเท่านั้นเองมันมันมันเป็นความคิดอย่างเด็กนะมันไม่ใช่ความคิดแบบผู้ใหญ่หรอกความคิดแบบผู้ใหญ่มันก็ต้องเอาเข้าใจอยู่ร่วมกันน่ะ จะอยู่ร่วมกันยังไงก็ต้องหาทางปฏิบัติ n หาทางตกลงเอ่อหาทางต่อรองอะไรกันให้ได้นี่มาถึงที่เป็นผู้ใหญ่นะหรือว่าถ้าตกลงต่อรองก็ไม่ได้ก็ต้องหัดไม่เขายอมเราก็ต้องเรายอมเขาก็ต้องหาให้ได้นะอันนั้นก็เป็นการปฏิบัติ n เหมือนกันนะแต่ว่ายอมได้ไหมล่ะถ้ายอมแบบว่าชนิดที่ว่าเรายอมเขาหรือว่าให้เขายอมเราเนี่ยต่างคนต่างยอมไม่ได้เนี่ยมาถึงต้องเออคนละห้สิบ ถ้างั้นพบกันขึ้นทางมันถึงต้องเกิดอันนี้ขึ้นมาต่างหากหรือบางทีก็ต่อรองกันอ้าวเธอยอมชั้น30ฉชั้นยอมเธอ70็บอ่มันก็ยังมันก็ยังอ้าวชั้นมั่งเธอมั่งมันก็ยังพอจะเป็นไปได้นะส่วนอีกอันหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเห็นของสวยของถูกใจเป็นอยากได้ไปหมดเพราะฉะนั้นจะาเป็นผู้ใหญ่ก็คือมันต้องรู้จักสะกดกั้นใจตัวเอง นะที่ไม่ปล่อยใจไปตามแหมอยากได้อะไรก็ต้องเอามาอยากได้อะไรก็ต้องเอามาจะต้องไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่แหมรักสวยรักงามอะไรจนเกินไปนักนะแล้วเดี๋ยวมันจะสัมพันธ์กับข้อต่อไปที่เขาบอกข้อ 5.5 าการเก็บกฎ r e เฟร s s ีฟนะการเก็บกดอันนี้ตะมารู้สึกแมมไอ้เรื่องเก็บกดนี่สำคัญมากมากเลยเพราะอย่างที่ละกีนี่บอกอ่ะบอกว่าเออต้องอดทนนะ รู้จักยอมกันบ้างนะบันดีบนอมนะบางคนบอกว่าเอา้าทำอย่างไั้นก็เก็บกดต่อสิบอกทำอย่างนั้นได้ไงย่งก็เก็บกดต่สอสิยอมเขาได้ไงอะ่ะพรานันต้องไม่ยอมใช่ไหมต้องไม่ยอมมันถึงจะไม่เก็บกด <c oughs> กลายเป็นอย่างนั้นไปเราลองฟังดูหัวข้อนี้การเก็บกดเป็นลักษณะของการข่มเอากดเอาไว ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ปัญหานั้นๆโผล่ขึ้นมาอาจจะด้วยเพราะทนไม่ได้ที่จะเผชิญกับมันหรือไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ก็เลยฝังเอาไว้เสียเลยไม่ยอมใช้ปัญญาหรือความมีเหตุผลเข้าชำระล้ า, ลางเมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่มีอยู่ก็ย่อมตกตะกอนจมอยู่ในก้นบึ้งของจิตยิ่งทิ้งนานก็ยิ่งจมลึกจนยากที่จะขุดออกมาได้ ที่สุดก็กลายเป็นอนุสัย subconscious นะอนุัยนี่คือกิเลสที่มันนอนเนื่องลึ ก, ลกอยู่ในสันดานเรานะ mm hmm. เขาเรียกว่าอนุสนะที่สุดก็กลายเป็นอนุสัยโดยไม่รู้ตัวและที่จริงการแก้ปัญหาของมนุษย์เราที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้แท้จริงก็ยังเป็นลักษณะของการเก็บกดอยู่นั่นเองไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง เพราะเพียงแต่กลมนิธาให้เจ้าเสือร้ายในจิตใจหลับไปเท่านั้นเองพอมันตื่นขึ้นมาใหม่เจ้าของซึ่งอันที่จริงควรเรียกว่าบบาวก็ต้องรีบดลีตลานหาอาหารมาป้อนให้อีกเป็นเช่นนี้ชั่วฟ้าดินสลายการเก็บกดจึงเป็นลักษณะหนึ่งที่ก่อเกิดพฤติกรรมแปลกๆที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว ฟังดูนะขอนี้นะอย่างเช่นบางรายเห็นแมวเป็นเป็นไม่ได้เกลียดกลัวถึงขนาดถ้าฆ่าได้ก็ฆ่าทิ้งสืบสาวสาเหตุดูก็พบว่าสมัยที่เป็นเด็กๆถูกแมวขวนตกใจทั้งเกลียดและกลัวและก็ได้ฝังฝังมาจนกระทั่งโตคือไอความรู้สึกนั้นนะ่ะฝังมาจนกระทั่งโตอันนี้เขา พูดง่ายว่าเขากำลังพูดเก็บกดแบบลึกๆก่อนเก็บกดแบบลึกๆคือเก็บกดมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วนะจนกระทั่งโตแล้วแต่มันยังฝังจําอันนี้อยู่เพราะนั้นพอมากระทบกับปัจจุบันเข้าป๊าเห็นแมวเขาก็อยากฆ่าแมวแล้วบางทีบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ทําไมถึงอยากฆ่านะนะอันนี้อันนี้เป็นมุมมุมเกียดเหมือนกับที่บางคนบอกว่า โอ้โหเห็นหน้าคนนี้ก็นึกรักเลยนึกชอบอันนี้ก็เป็นการเก็บกดเหมือนกันแต่มันเก็บกบในบุญราคาเพราะเคยไปแบบว่าในอดีตตอนเด็กๆใช่ไหมเคยนึกรักคนแบบนี้รักคนทํานองนี้ใช่ไหมเอาเอาแมวดีกว่าเอารักแมวก็แล้วกัน <c oughs> ไม่ต้องเอาคนนะนะเด็กๆเกนี่ยอาจจะโอ้โหแมวนี่มาทำความประทับใจทําความชอบใจหรือว่าอาจจะเคย ช่วยเหลือเขาอะไรตอนเด็กๆก็ได้แล้วเขาก็จําความทราบซึ้งอันนี้เอาไว้พอโตขึ้นพอดีแหมมาเจอแมวลักษณะอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เขาก็โอโ้โหเห็นแล้วก็โอโ้โหรับทันทีเลยน่าอยากจะไปเลี้ยงอยากจะไปอะไรอ่ะเหมือนอย่างกับเป็นลูกเหมือนอย่างกับเป็นน้องเหมือนอย่างกับเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้เลยทันทีเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเก็บกดเอาไว้ แต่อันนี้เป็นเก็บกดในมุมที่รักนะไอ้ไอที่เขายกตัวอย่างนี้เป็นมุมที่ชังนะอีกตัวอย่างเขาบอกว่าในคนไข้าบางรายกลับพบว่าเป็นคนชอบก้าวร้าวหยาบคายก็พบว่าในสมัยเด็กๆขาดความอบอุ่นขาดคนเอาใจใส่อันนี้เราจะเห็นได้เยอะนะตัวอย่างนี้อีกตัวอย่างหนึง่งคนไข้าบางรายอยู่ใกล้ใคร เข้าใช้คาว่าคนไข้บางรายคนไข้บางรายผู้อย่างเป็นหมอโล ก, กิตตัวอย่างเนี่ยน ะ, ะ, ค, นะยคนไข้บางรายอยู่ใกล้ใครก็มักจะติดสอยห้อยตามอยู่เสมอผูกพันผู้ที่เข้ามาในวิถีทางชีวิตของตนตลอดเวลาหมอกลับพบว่าในอดีตนั้นคนไข้ผู้นี้เป็นผู้ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว คืออันนี้อีกมุมหนึง่งที่เรียกว่าเพราะตอนเด็กๆ เ, เนี่ยขาดความรักความอุ่นใช่ไหมมันก็เก็บกดความอยากได้ความรักเอาไว้อยากได้ความรักวันพอโตขึ้นมาแล้วตอนนี้มีโอกาสแล้วได้โอกาสมันก็เลยตามคนนั้นตามคนนี้เลยเพราะอยากให้มีคนมารักอา่าเดี๋ยเห็นหมาจริงๆดเดี๋ยวงนง้เขาเรียกว่าหมอหมองกับพบว่ายไหมแสดงว่า แบบหมอโรคจิตหใช่ไหมล่นะเน้อบางรายชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายจากการสัมภาษณ์สอบภูมิหลังกลับพบว่าสมัยเด็กเธอมักจะเสียเปรียบเพื่อนผู้ชายเสมอจึงเกิดความอยากเป็นผู้ชายขึ้นมาบ้างอันนี้อันนี้เล็กี่นี้โทสะมั่งราคะมั่งอันนี้มานะใช่ไหมเก็บกดเอาไว้ว่าแม้ไอ้พวกผู้ชายนี่เอาเปรียบ เอาเปรียบเลื่อเกินมันก็เก็บกดความรู้สึกอันนี้ไว้มานะว่าจะต้องเอาชนะจะต้องเอาชนะจะต้องเอาชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมาได้คราวนี้ก็แหมอยากเป็นผู้ชายเพราะอยากเอาเปรียบคนอื่นเขาบ้างหละคราวนี้นะเป็นลักษณะเก็บกดแต่นี่เชิงมานะนี่ก็เป็นตัวอย่างของอาการต่างๆที่พวกหมอหมอจิตบำบัดเขาค้นคว้ากันจะเห็นได้ว่า ความประทับใจในแง่ลบนั้นถ้าไม่มีผู้ใดมาชี้ให้เข้าใจก็อาจมีผลสะท้อนออกมาในอีกรูปแบบหนึง่งหลังจากที่การเก็บกฎถึงจุดอิ่มตัวเมื่อแสดงอาการเมื่อแสดงอะไรออกมาก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงทำอย่างนั้นไม่รู้อะไรคือเหตุจูงใจอันแท้จริงที่คอยบงการตัวเขาไอสภาพนี้นะ ถ้าใครบุกเพได้ที่เรามั่นตัวศีลบ้างเราอะไรบ้างเนี่ยเพื่อที่ให้เรามั่นบุบเพยตัวเองอยู่เสมอเราจะได้ไม่มาเกิดอาการเก็บกดถ้าใครมั่นบุกเพยวันนี้ไปโกรธใครวันนี้ไปรักใครวันนี้ไปมีมาน่ากับใครนะ่พอบุบเพแล้วทำมัวิจัยขึ้นมามันจะทําให้สลายไอ้พวกเก็บกดเนี่ยเอาไว้มันจะได้ไม่หมักหม ม, มจะได้ไม่สั่งสมการที่เรา บอกว่าให้มันตัวสีให้มันเช็คสีอะไรต่างๆเป็นวิธีการที่จะแก้อาการเก็บกดเพราะฉนั้นถ้าใครเนี่ยไม่มันพิจารณายกเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เอ า, เอามาวิปัสสนามันก็ฝังอยู่อย่างนั้นนะมันพอเกลียดพอไม่ชอบใครเนี่ยมันก็จะคิดย้ำซ้ำอยู่กับเกลียดไม่ชอบไอ้หน้าคนนี้เลยนะมันก็ฝังอยู่อย่างนี้อ่ะฝังอยู่อย่างี้อ่ะมันไม่ได้ขุดออกมาล้างขุดออกมาถอน ขุดออามาลบทิ้งไปอ่ะเพราะนั้นก็จะเป็นความเก็บกดอยู่กับใจคนนั้นเป็นเลยวันพอเราหมั่นบุพเพเราหมั่นเอามาทรมาวิจัยแล้วมันถึงจะค่อยๆคลายไอย้พวกนี้ลงไปได้แก้พวกนี้ลงไปได้นะการเก็บกดนั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาเข้ามาล้างเห็นหมจึงจะได้ผลดีแม้แต่พวกนักปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันบางรายพอรู้ว่า จะมีกิเลสขึ้นรีบกดไว้รีบกดไว้ไม่ยอมให้มันโผล่ขึ้นมาก็เลยไม่ได้ล้างกิเลสสักทีเพราะพอโผล่ก็ทุบมันจมลงไปทุกทีทุกทีเลยมีแต่เจโตแต่หามีปัญญาไม่สังเกตดูได้ก็ตรงที่พอเห็นกิเลสของตัวเองก็โตอกตดใจไม่ก็โศกเศร้าอาดูนซึ่งลักษณะนี้ถ้าเกิด บ, บ่อยๆจิตใน จิตในมันก็จะบงการออที่ถ้าเกิดบ่อยๆในจิตนะที่จริงเกิดบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะบงการสั่งเจ้าของให้ตาบอดต่อกิเลส ต, ตัวนั้นถึงจุดนี้ก็เอวังกันแน่ๆเรื่องเก็บกดนี่จริงๆมันมันสำคัญมันลึกยิ่งกว่า น, นั้นนะจริงๆในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะไม่เก็บกดได้ คนนั้นก็เหลือแต่ไอตัวเก็บกดเก่าเพราะว่าตัวเก็บกฎใหม่นี่เราล้างทิ้งทุกวันเพราะเราก็มีแต่ว่าจะมาหาเวลามาล้างตัวเก่าอีกทีหนึ่งต่างหากนะเพราะงั้นการตัวศีลการมันเช็คศีลการอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นการที่เราฝึกสติสมัชัญญาติเราเนี่ยให้ไวไวให้ไวไวจนกระทั่งเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยสามารถล้างได้ในปัจจุบันเลยเพอมันจะเกิดอาการเก็บกดปั๊บ บับมันรีบร้างตั้งแต่ปัจจุบันใช่ไหมวรามันจะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการที่หมักหมมไปที่สะสมไ้เพราะที่ที่มันอันตรายมากๆก็เพราะว่ามันกดอาไว้นานวันเข้าก็ยิ่งยิ่งหามันยากยิ่งล้างมันยากนั้นหนึ่งอย่างนะหามันยากแล้วก็ล้างมันยากอย่างที่สองก็คือว่าเผลอๆเราหลงไปว่า เราไม่มีปัญหาอะไรเราก็บอกว่าเอ้ยเราสบายสบายดีนี่บางทีแต่ที่ไหนได้มันฝังอยู่ในใจเราเนี่ยเพราะวันไหนที่เราไปเจอผัสสะขึ้นมาพอมันสะ ก, กิดแผลขึ้นมาเท่านั้นเองคราวนี้มันขึ้นมาโอ้โหพอเรามารู้ตัวเข้าบางทีบางคนทนรับไม่ได้แล้วยอมรับความจริงของตัวเองไม่ได้ว่าอะไรเราจะแย่ขนาดนี้เฉลย์เราจะอ่อนแอเราจะอ่อนไหวขนาดนี้เฉลย์เพราะว่ามันโดนเขี่ยขึ้นมา ตอนไม่เคีย่ยมันไม่เหม็นแต่พอเคีย่ยแล้วมันเหม็นเนี่ยกลิ่นมันฟุ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นคราวนี้บางทีเนี่ยก็ยอมรับตัวเองไม่ได้นะส่วนอีกอันนึงคราวนี้ประเด็นที่สําคัญนะที่อาจามาอยากจะฝากไว้ในเรื่องของการเก็บกดนี่ก็คือว่าถ้าใครเนี่ยไม่ฝึ ก, กจิตนะไม่ฝึ ก, กจิตไม่ฝึ ก, กจิตที่จะ ไม่ฝึกจิตที่จะเรียนรู้เท่าทั น, น, นในการจับจิตตัวเองคนท่านจะไม่รู้ว่าตัวเองเก็บกดไม่รู้จริงๆว่าตัวเองเก็บกดเมื่อไม่รู้ว่าตัวเองเก็บกดเอา้าแล้วมันจะไปคิดว่าจะต้องไปขูดอะไรขึ้นมาล้างหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สามารถรู้ทันว่าตัวเองเก็บกดนี่นะคนนั้นเลยมีอยู่อย่างเดียวเท่า น, นั้น คือต้องให้คนอื่นมากระแทกให้เพราะฉะนั้นคนอื่นเข้ามาแทกให้โดยเจตนาก็ตามหรือไม่เจตนาก็ตามภาษาเราเรียกว่าผาาัสสะภาษาพวกเราเราเรียกว่าผาาัสสะนะเพราะฉะนั้นท่านจงยินดีนะท่านจงพอใจเถิดเมื่อเวลาคนอื่นเข้ามากระแทกให้เพราะว่าบางทีท่านเองท่านเก็บเอาไว้นานจนท่านไม่รู้ว่าท่านเก็บอะไรไว้ในใน ใ, ในบ้าน ใจของท่านน่ะนะไม่รู้ว่าเก็บอะไรไว้บ้างมันเยอะไปหมดมันเต็มไปหมดทั้งคนอื่นเข้ามาช่วยลื้อให้คนอื่นเข้ามาช่วยลื้อให้ว่าอ๋อนี่มีเก็บอะไรไว้บ้างนะสมบัติเยอะเหลือเกินแต่มันไม่ใช่อนุญาตสมบัติมันเป็นของเน่าๆบางเหม็นๆมั่งอะไรที่จะเก็บกดเอาไว้อนะเออก็น่าที่จะขอบใจเขานั่นแหละน่าที่จะขอบคุณเขาบอกโอ้ขอบคุณมาก นี่อันนี้เก็บไว้จนเน่าจนเปื่อยโอ้แม่เพิ่งรู้รู้จะได้เก็บเอาออกไปเพราะว่ามันเน่ามันเหม็นแล้ววราะอันนี้อาตมาถึงอยากจะบอกว่าจะได้ไม่ไปกลัวผัสสะไม่อย่างนั้นนะถ้าใครนะไม่เข้าใจประโยชน์อันนี้ไม่เข้าใจคุณค่าอ น, นี้พวกนี้จะเป็นลูซีหมดจะหนีปัญหาจะกลัวการผัสสะจะกลัวการถูกกระแทกกระทันเวันพวกนี้จะหลบ ปัญหาแล้วก็จะหนีจะไม่ยอมเจอผัสสะและไอปัญหาที่เก็บกดเอาไว้นในใจก็จะยิ่งกดมันลงไปให้มันลึกกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้มันโผล่มาให้เห็นเพราะยิ่งกดไปลึกเท่าไหร่เนี่ยที่พระเจ้าถึงตัดว่าชิบหายแล้วหนอะเวลาที่ท่านคิดจะไปสอนอาจารย์เก่าอะไรอะอารันดาบทอุตัคตาบทอะไรต่างๆ น, น, นะท่านนึกบอกฉีกหายแล้วหนอเพราะว่านี่แหละจะกดเก็บกดไอ ที่ยังเป็นวิชาที่ตีหรือว่าเป็นตัวโมหะเป็นตัวหลงเนี่ยอยู่แล้วยิ่งโอ้โหขุดยากนะถ้าคุณกระจอกเนี่ยคุณกระจอกหมายถึงว่าพวกคุณธรรมดามากเลยพวกคุณไม่คมเลยทื่อๆไม่มีน้ําหนักแรงมือดีพอคุณขุดไม่เจอ ค, คุณขุดให้คนอื่นก็ไม่ได้มันจะต้องระดับชนิดที่เรียกว่าโอ้โหต้องพวกวิวเศษต้องพวกชั้นเยี่ยมถึงจะไปขุด ไอ้ที่เก็บกดไว้ลึกๆนะ่ะโผล่กมาได้แล้วพอเรารู้เนี่ยแหละเรารู้ว่าโอ้โหนี่เราเรายังเหลือไอ้ก้อนอึก้อนขี้หมาฝังอยู่ลึกขนาดนี้เหรอเ ข, เขาขุดขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าโอ้โหนี่มันยังชั้นมันถึงชั้นหินเลยเหรอเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าโอ้โหนี่มันยังเหลืออยู่อีกนี่เราถึงจะเอามันออกมาได้ ถ้าตาบดเราไม่รู้เนี่ยเราไม่ไม่มีทาง อ, าออกมาได้เลยถ้าตาบดายไม่รู้เพราะอานันท์ถึงบอกว่าจงรู้สเสถอะถ้าเขาอุตส่าห์กระแทกกระทันออกมาได้เนี่ยนะมันเป็นบุญแล้วสําหรับเราไม่ใช่บุญสําหรับเขานะเป็นบุญสําหรับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอันนี้ได้เนี่ยเราจะไม่โกรธไม่ไปเกลียดใครเลยที่เขาเนี่ยจะมาช่วยสร้างภรรษาแล้วก็ทําให้เรานี่ได้เห็นกิเลสตัวเราเองขึ้นมา อ๋อถ้าขุดเบาๆเขายัางช่วยใช่ไหมถ้าขุดแรงไปมันเจ็บเหมือนกันะนะ <c oughs> ถ้าเราคิดว่าประโยชน์ที่มันได้รับเพียงพอเนี่ยเราก็คงจะเจ็บเราก็เอามันเหมือนกับถอนฟันเรารู้ว่ามันก็ต้องเจ็บนะหรืออย่างน้อยเ้าจะฉีดยาชาให้กระตามก็ต้องเจ็บตอนโดนฉีดยาชาก่อนแหละแต่เราเห็นว่าประโยชน์มันคุ้มค่านะเราก็เอาเหมือนกัน เพราะนั้นเนี่ยอาตมาถึงบอกถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยโอ้มันจะลดไอ้ตัวที่เราไปถือสาตัวที่เราจะไปเกลียดชังหรือจะไปอะไรกับใครเนี่ยนะในเรื่องของมารซาเราจะลดลงไปเยอะเลยถ้าเราเข้าใจตัวนี้ได้ดีเอาวันนี้คงขอฝากไว้เพียงเท่านี้